มีสองพวกพวกที่ภาวนายากนะพวกหนึ่งคิดมากหาความรู้ด้วยการคิดนะพยายามคิดอย่างเดียวเลยมีพอนหนึ่งติดเพ่งใครก็จะเป็นยังไงนะโลกจะถลม่มทลายอะไรไม่รู้เรื่องอนะ่ะกูเพ่งของกูอยู่คนเดียว <laughs> สิ่งที่พลาดในการปฏิบัติก็ได้มีสองอันนะย่อนเกินไปก็ตึงเกินไป ย่อนเกินไปนยคือละเลยที่จะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจละเลยแล้วก็มันก็แยกได้สองสามพวกพวกหนึ่งหลงโลกไปเลยเพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายออกข้างนอกไปอีกพวกหนึ่งนักคิดเพลินอยู่ในใจของตัวเองคิดหาเหตุหาผลอะไรพวกนี้พวกนี้ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ พวนี้หย่อนเกินไปพ อ, อนาไม่ได้ส่วนพวกเพ่งเอาบังคับเอาบังคับกายบังคับใจบางคนเป็นมากหลังเครดคอเครดยอกไปทั้งตัวเลยนะภาวนาเพออา่พงจนเครียดไปหมดเลยท้องไส้ไม่ทํางานภาวนาซะท้องผูกเลยก็มีเครียดจัดตึงเกินไปทางสายกลางก็อยให้มัน หลุดเข้าไปสุดตกสองฝั่งฝั่งตามใจกิเลสกระทั้งคิดธรรมะกนะ็าตามใจกิเลสตามใจอะไรตามใจความอยากรู้พอสงสัยขึ้นมาอยากรู้หาคาตอบกนะ็คิดเจเลยวิเคราะห์วิจัยวิจารวิภาคพุ่นวายอยู่ข้างในไม่มีถึงวิปัสสนามีแต่วิเคราะห์วิจัยวิจารวิภาคอย่น ไม่ถึงวิปั ส, สนาสักทีเมื่อวานบอกแล้วว่าการทำวิปั ส, สนานะมันเหมือนการทางานวิจัยภาคสนามเราต้องเข้าไปดูของจริงของจริงก็คือกายกับใจไปดูให้เห็นความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์เอาแต่คิดเอาคิดเอานะไม่ได้กินหรอกหรือเอาเพ่งเอาเพ่งลูกเดียวไม่ได้กินกตึงไป ตั้งหนึ่งมีเทวดาไปเฝ้าพระพุทธเจ้ารัศมีของเทวดานะสว่างทั้งวัดเลยไปกลางคืนเทวดากลางวันคนพลุกพล่านเทวดาไม่ค่อยนิยมยกเว้นเวลามีฟังธรรมนะเทวดาชอบฟังธรรมมากกว่าคนซะอีกขอมนุษย์เวลาอยู่บ้านก็อยากมาฟังธรรมพอมาถึงอยู่วัดก็คิดถึงบ้านไป น, น่นเทวดาไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เทวดาองคนี้สำคัญตนผิดว่าเป็นพระอาหารหันต์ไปทูลถามพระพุทธเจ้าคล้ายๆไปชวนแลกเปลี่ยนความรู้กันเรามันพอๆกันบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้ยอย่างไรโอคะโอะาพ่วงน้ำกิเลตทั้งหลายนะกามกามโอคะภวะภาวะโอคะเรื่องภพเรื่องกามเรื่องทิฏฐิ อาวิชาอะไรพวกนี้พวกข้ามกิเลสทั้งหลายมาได้ยังไงพระพุทธเจ้าสอนมวยให้เทวดาเทวดานี้คงจะมาชวนคุยว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้ถูกปฏิบัติอย่างนี้ถูกนีะจะมาชวนคุยท่านเลยตอบเทวดาบอกว่าเราตาทาคตเนี่ยข้ามโอคะได้เพราะเราไม่พักอยู่แล้วเราไม่เพียรอยู่ เี่ดาเจอไม้นี้เขางเลยให้ไม่พักกับไม่เพียนในสุดก็ไม่ไม่เก็บความสงสัยไว้นะนี่ข้อดีของเขาทูลถามไม่วางฟอร์มเป็นพระราารอรหันต์เนี่ยเราก็รีบหนีไปนะ ร, รู้เหมือนกันไปดีกว่าทูลถามเลยว่าช่วยขยายความหน่อยะเป็นยังไงที่ว่าไม่พักกับไม่เพียน ทวดาดูออกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระราชมีของท่านไม่เหมือนคนอื่นท่านมีชาปนลังสีมีอะไรพระเจ้าเลยขยายความให้ฟังบวกถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเราเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่พักเราไม่เพียร น, นะเราข้ามโอคะได้ด้วยวิธีนี้ทีว ด, ดาได้พระโสดา บ, บันฟังท่านเนี่ยได้เลยขวงเราฟังก็ยังไม่ได้ ต้องขยายความต่อเนี่ยขยายต่อไปอีกอธิกรรมฐามาขยายให้ฟังถ้าเราฟังแล้วเราอาจจะได้นะคําว่าพักอยู่เนี่ยก็คือการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสเหมือนที่ชาวโลกทั้งหลายเขาหลงโลกกันน่ะพวกหลงโลกเนี่ยเรียกว่าพวกพักอยู่คือไม่เดินต่อเลยพวกที่ย่ําอยู่กับที่บางทีก็เรียกว่าการสุขาริการุโยก การที่เที่ยวหาความสุขเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสหรือการคิดนึกปรุงแต่งเรื่องที่สนุกสนานเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสโอทภะทั้งหลายเรียกว่ากามหลงกับกามก็คือหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสหลงกับความคิดเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองถ้าหลงไปในโลกอย่างนี้เป็นกามสุขาริการนิโยกถือไม่ได้พัฒนาตัวเอง ีว่าพักอยู่ถ้าพักอยู่แล้วสิ่งที่จะได้มาคือการจมลงเพราะธรรมชาติของจิตไหลลงที่ต่าถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงงั้นเวลาเราลงมือปฏิบัตินะเราพักไม่ได้เลยนะต้องพักเพียนแต่เวลาเหนื่อยเนี่ยเราพักแบบนักปฏิบัติไม่ไปพักแบบหลงโลกถ้าพักแบบหลงโลกเราจะถอยหลัง มันคล้ายๆเราพายเรือทวนน้ำจะข้ามแก่งสักแก่งหนึ่งต้องพายอุตลุดเลยนะหยุดไม่ได้กัดฟันไปเหนื่อยก็ต้องทนเอาพักเพลียนไปในสุดก็ข้ามแก่งไปได้แก่งหนึ่งนะก็ไปพักผ่อนบางคนพักอยู่แก่งนี้เจ็ดชาติบางคนไม่นิ่งนอนใจพายต่อไปอีกพักนิดหน่อยพอแช่มชื่นใจแล้วพายเรือต่อไปอีกทวนน้ําไปอีก ถึงครั้งที่สี่นะได้ไปถึงวางน้ำข้างบนยอดเขาได้แล้วปลามันยังว่ายน้ำขึ้นยอดเขาได้เลยเพราะว่ามันมีความเพียรมันไม่พักเฉยๆถ้าพักก็ลอยตามน้ำไปเป็นปลาตาย <S <S ถ้าเรามาดูนักปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติเราจะพบว่าเขาไม่พักอยู่เฉยๆหรอกเขาไม่เลิกการปฏิบัติทำให้เลิก ที่นี่ชื่อสวนเป็นสวนสันติธรรมสวนนี้ไม่ได้แปลว่าสวนปลูกต้นไม้หรอกเป็นสวนปลูกต้นโพต้นไทรปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้พระพุทธศาสนาคือสวนที่สร้างขนั่นแหละหลวงพ่อเป็นนักปลูกต้นไม้ต้นไม้ของหลวงพ่อออกดอกออกผลเยอะแยะไปหมดละตอนนีนะ้มีมากขึ้นมากขึ้น มีความรู้ถูกความเข้าใจถูกมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งส่งกงินบ้านส่งกัินบ้านภาวนาภาวนาดีเข้าใจมีความรู้ถูกความเข้าใจถูกมากขึ้นถ้าเราไปดูพฤติกรรมของคนซึ่งเข้าภาวนาได้ดีได้ผลดีเนะี่ยเราจะพบว่าเขาไม่พักอยู่อย่างผู้หญิงเมื่อวานนีที่เขาส่งกงินบ้าน ทำกันบ้านทำงานบ้านอยู่ก็เจริญสติอยู่ขวาดบ้านถูบ้านทำกับข้าวทำงานบ้านจริงๆเป็นแม่บ้านเลยไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยทำงานอยู่ในบ้านนั่นแหละทำไปด้วยความรู้สึกตัวตลอดเลยจิตรวมปุ๊บลงไปนะเห็นม่มนไม่มีตัวมีตนที่ไหนเลยบางคนเป็นนักธุรกิจมีบริษัตทตั้งหลายแห่งที่ต้องดูแล กลับมาบ้านนะดูแลบ้านด้วยตัวเองด้วยดูแลลูกดูแลสามีด้วยกว่างงานแต่ละวันจะเสร็จเนี่ยห้าทุ่มพวกเราถ้างานเสร็จห้าทุ่มเราจะทําอะไรรีบนอนถ้าไม่นอนก็ดูหนังดูอะไรให้มันรีแลกซ์นี่เดินจงกรมเดินจงกรมไปถึงตีหนึ่งอย่างเงี้ยนะพักผ่อนตื่นมาตีสามตีสี่มาพาวนาอีกนี พวกที่ภาวนาได้ผลดีจริงๆนะได้ผลเร็วๆนะคือพวกที่ไม่นิ่งนอนใจไม่นอนจมกิเลสอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งหมดไปเรื่อยๆแต่ว่ามันขึ้นกับจริตนิสัยคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องลำบากขนาดนั้นไม่ใช่เราต้องไปภาวนาตอนห้าทุ่มเรารู้ว่าเข้าภาวนาห้าทุ่มได้ผลนะเราก็หลับไปไแต่หัวข้ามตั้งนาฬิกาไว้ห้าทุ่มก็ไม่ได้กิหนหรอก แต่ไม่ใช่ทุกคนต้องภาวนาลาบากขนาด น, นั้นคนที่ภาวนานะมันมีจําพวกหลายจําพวกพวกหนึ่งปฏิบัติสบายได้ผลเร็วอย่างนี้ก็มีบางคนปฏิบัติสบายได้ผลช้าบางคนปฏิบัติลําบากได้ผลเร็วบางคนปฏิบัติลําบากด้วยได้ผลช้าด้วยสี่พวกมีสี่พวกอขได้ไหม ปฏิบัติสบายใช่ไได้ผลเร็วปฏิบัติสบายได้ผลช้าปฏิบัติลำบากได้ผลเร็วปฏิบัติลำบากได้ผลช้าสี่จำพวกสี่จำพวกนี้มีตัวร่วมกันอยู่ตัวหนึ่งอะไรรู้ไหมปฏิบัติปฏิบัติบตสบายหรือปฏิบัติลำบากแต่คือปฏิบัติบางคนกิเลสหนากิเลส ร, รุนแรงปฏิบัติลำบาก ถ้าพวกที่กิเลสอ่อนกิเลสเบาบางปฏิบัติง่ายส่วนจะได้ผลชา้าจะได้ผลเร็วอยู่ที่ว่าอินทรีย์แก่หรืออินทรีย์อ่อนบางคนอินทรีย์แกกล้าแล้วกิเลสก็เบาบางพวกนี้ปฏิบัติสบายได้ผลเร็วบางคนกิเลสน้อยนะแต่ว่าสะสมบุญบารมีมาก็น้อยอย่างนี้ก็มีพวกนี้ภาวนาก็ไม่ยากเท่าไหร่นะ แต่นานเพราะบารมีน้อยต้องสะสมกันนานเราไม่รู้ว่าเราเป็นพวกไหนนะแต่ในสี่เจมพวกเนี้เริ่มต้นด้วยคำว่าปฏิบัติทั้งสิ้นเลยปฏิบัติทำมีเงื่อนไขสองตัวเท่านั้นแหละไม่ยากอะไรแรกปฏิบัติให้ถูกกันที่สองปฏิบัติให้พอถ้าปฏิบัติไม่ถูกนะอยากขยันเลยขอร้อง อยากไปเชียงใหม่นะอยู่ศรีราชายอยากไปเชียงใหม่แทนที่จะเดินขึ้นเหนือนะเดินลงใต้ไปเรื่อยๆเจอทะเลก็ว่ายน้ำไปตะเกียกตะกายไปไปไม่รอดหรือเดินไปตะวันออกไปเจอกรุงพนมเป็นไม่ถึงเชียงใหม่ต้อให้มันถูกหลักถูกเกณฑ์ก่อนปฏิบัติให้เป็นซะก่อนที่มาเรียนจากหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อช่วยได้เดียว คือสอนหลักของการปฏิบัติให้รู้ว่าเขาปฏิบัติกันยังไงปฏิบัติให้เป็นถัดจากนั้นส่วนที่เหลือเราต้องช่วยตัวเองปฏิบัติให้พอแค่ไหนพอดีถ้าเราต้องการอยู่กับโลกก็ปฏิบัติเท่าที่ทําได้ถ้าเราเห็นภัยในวัดฏสงสารเราก็ปฏิบัติทําให้สมควรแก่ทำปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับตื่นจนหลับ ต้อตั้งหลักเลยว่าชีวิตนี้มีเป้าหมายของชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเหมือนหมูเหมือนหมาเกิดมาก็กินข้าวให้ตัวโตวมีลูกมีหลานแล้วก็ตายไปจะไม่ได้มีชีวิตต่ําต้อยอย่างนั้นเราเกิดมานะเพื่อจะพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้เรื่องไรเราจะต้องทุกข์แล้วทุกข์อีกวัตตะเป็นภัยที่น่ากลัวที่สุดเล ฆาตากรทั่วๆไปนะถ้ามันจะฆ่าเรามันฆ่าเราได้ครั้งเดียวแต่วัฏฏะเนี่ยฆ่าเราครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีวันจบมันสิ้นเลยถ้าเรารึกชาติไปได้นะจะรู้ว่าวัฏฏะนี่น่ากลัวยิ่งกว่าฆาตากรใดๆเลยเกิดที่ไรตายทุกทีเลยนะมีความทุกข์ย่ำหยีถึงตายทุกครั้งไปคนที่บารมีมากเนละเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยของวัฏฏะอยากจะข้ามวัฏฏะ ก็รู้ว่าชีวิตนี้มีเป้าหมายชีวิตนี้เกิดมาเนเพื่อจะมายกระดับจิตวิญญาณไปสู่ความพ้นทุกข์ต้องใกล้ความพ้นทุกข์ไปตามลำดับลำดับเมื่อเรารู้เป้าหมายหลักในชีวิตรู้วาตถุประสงค์หลักในชีวิตแล้วนะงานอื่นจะเป็นงานรองงานทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันเลี้ยงได้ชีวิตเดียว เลี้ยงลกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงสามีปัญญาเลี้ยงไปตามหน้าที่สร้างคุณงามความดีให้กับโลกสงเคราะโลกทําไปตามหน้าทีนะ่เรามีหน้าที่เพราะเราเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากสังคมจากโลกนี่มากมายเหลือเกินเราได้สิ่งต่างๆมาจากคนอื่นมากนะอย่างข้าวหนึ่งจานเนี่ยเราได้มาจากคนอื่นทั้งเยอะเลยหยาดเหงื่อแรงงานความยากลําบากของคนอื่นทั้งเยอะแยะเลย เริ่มแต่พวกทำนาพวกผลิตปุ๋ยพวกผลิตยาฆ่ า, มาแมลงพวกสร้างเขื่อนพวกลงสีพวกลถบรรทุกพวกขายแก๊สหุงข้าวพวกขายหม้อขายหายเราพึ่งพิงสิ่งอื่นๆมากมายนะกว่าจะได้ข้าวจานหนึ่งขึ้นมาเราบริโภคของโลกไปมากเราอาศัยคนอื่นมากมายเงิยเรามีโอกาส ตอบแทนให้เขาได้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สมควรช่วยเหลือส่วนรวมช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือรักษาพระศ า, าสนาอย่างี้แต่งานหลักจริงๆคืองานยกระดับจิตใจของเราเองงานอื่นๆเป็นงานอาศัยหรือเป็นงานที่ควรจะทำเท่านั้นเองทามาหากินเป็นงานอาศัยต้องทามาหากินจะได้มีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่เพื่อปฏิบัติธรรม ไม่ใช่ทำมาหากินเพื่อจะกินนะไอ้อย่างนั้นหมามันก็เป็นแมวมันก็เป็นนะไปหากินไปจับนกจับอะไรกินมันต่ำต้อยเกินไปเรารู้ว่างานหลักของเราคืออะไรงานที่จำเป็นนะเพื่อความอยู่รอดงานที่ควรทำคืออะไรเราก็จัดสรรการปฏิบัติของเราให้พอเหมาะพอควรเราปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับ ยกเว้นเวลาที่เราทำงานที่ต้องคิดกับยกเว้นเวลาที่เราจะต้องนอนหลับยกเว้นเวลาสองเวลานี้เวลาเราทำงานที่ต้องคิดไม่ใช่เวลาปฏิบัติอันนั้นเป็นเวลาทำมาหากินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวหรือว่าไปทำสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์กับส่วนรวมตอบแทนสังคมซึ่งเราได้อาศัยเขาอยู่แต่มีเวลาเมื่อไห ร, นะร่นะภาวนาเลย หลวงพ่อเคยอ่านประวัติหลวงพ่อกเกษมเขมะโกมีเล่มหนึ่งการไฟฟ้าไ ฟ, าฟาผลิตพิมพ์แต่ว่านานานักหนานะหลายสิปีมาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ท่านไปเล่าให้หลวงพ่อกเกษมฟังว่างานท่านมากเชื่อไหมพระเจ้าอยู่หัวงานมากสมัยเมื่อหลายสิปีก่อนที่ไม่ได้สเสวยไม่ได้อะไรนะไม่ค่อยได้นอนไม่ได้ค่อยได้กินนะ ทำงานหนักมากเลยกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาไม่ได้สบายทำงานท่านสร้างบา ร, รมีของท่านท่านบอกงานท่านมากเดี๋ยวถ้าท่านมีเวลานะ5นาทีสองสามนาทีเลยท่านไม่ทิ้งเปล่าๆอย่างนั่งรถไปเตรียมจะต้องไปกล่าวสปีดกล่าวเขาเรียกอะไรพระอะไรบรมราโชวาทอะไรต่ออะไรนะนั่งรถไปเปิดงานไปอะไรเงี้ย ระหว่างนี้ถ้าท่านทบทวนงานของท่านเรียบร้อยแล้วนะีมีเวลาเหลือนิดนหน่นอยๆนะ่ท่านปฏิบัติท่านเจริญสติเลยเหราะฉนั้นถ้าใครบอกว่างานมากไม่มีเวลาปฏิบัตินะ่ะไม่จริงหรอกไม่รู้จักว่าการปฏิบัติคืออะไรดังนั้นคิดว่าการปฏิบัติต้องเดินจงกรมอย่างเดียวต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวนะก็บอกแล้วว่าการปฏิบัติที่สําคัญที่สุดคือการเจริญปัญญา วิธีเจริญปัญญามีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่กายที่ใจเขาเป็นเราต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เป็นกลางเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจได้เมื่อเวลาเราลงมือปฏิบัติอันแรกเลยให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวแทนที่ใจจะฟุ้งซ่านไปที่อื่นให้จิตใจมันมาอยู่กับตัวเองจิตใจมาอยู่กับตัวเองได้เรียกว่าเราปฏิบัติได้ส่วนหนึ่งแล้วได้สมาธิ สมาธิฟังเราชื่อหน้ากลัวพูดภาษาไทยง่ายๆนะคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกระตัวนั่นเองแค่นั้นเองสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาให้จิตใจอยู่กับเนื้อกระตัวไม่ลืมกายไม่ลืมใจเมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เจริญปัญญาต่อดูลงไปร่างกายที่นั่งอยู่ที่ยืนที่เดินที่นอนร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขความทุกข์ ท, audible, ที่เกิดขึ้นในจิตใจเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากุศลทั้งหลายเช่นศรัทธาความขยันมันเพียนอะไรพวกนี้สตินี่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอกุศลทั้งหลายเช่นความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายเนี่ยความฟุ้งซ่านความปวดหูความเบื่อหน่ายท้อแท้ความเซ็งนย มอิจฉาลิสยาหาคาดพยาบาทจองเวนรนเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าให้เรารู้สภาวะที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันถ้าร่างกายเราดูเป็นปัจจุบันขณะหมายถึงขณะนี้เลยขณะนี้ร่างกายหายใจออกรู้สึกขณะนี้ร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวนี้เรียกว่ามีสติรู้ได้สติสติรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใกายในใจ ตรงที่เห็นร่างกายหายใจออกเรารู้สึกอยู่นั้นเรารู้สึกลึกซึ้งลงไปร่างกายที่หายใจออกเป็นของที่กำลังแปรปรวนอยู่ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าเป็นของที่แปรปรวนไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนก็ไม่เที่ยงหรือดูว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึง่งเป็นวัตถุเป็นก้อนาธนนาตุที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะ ขยับขยื่อนไปจิตเราไปแค่คนดูอยู่ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเหมือนเปลือกเหมือนถ้าเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่จิตเข้ามาใัยอยู่เป็นโปรงที่จิตมาใัยอยู่กายนี้เป็นโปรงเป็นถ้ำนะสําหรับนักปฏิบัติเป็นที่ที่จิตอาศัยอยู่เท่านั้นเองมันไม่ใช่จิตหรอกเือนบ้านบ้านของจิต เราค่อยรู้ค่อยดูไปนะก็จะเห็นนร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแท้จริงประกอบขึ้นด้วยวัตถุเท่านั้นเองมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาตรงที่เรารู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นรู้ด้วยสติตรงที่เราเข้าใจว่าสิ่งซึ่งปรากฏนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เรียกว่าปัญญาสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจนะอาศัยปัญญานี่แหละ พอเราเข้าใจแจมแจ้งจิตจะคลายความยึดถือออกผู้เจ้าสอนนะเพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจันท ร, ร์คือการประพฤติปฏิบัติทำทำเสร็จแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีต้องทําอีกแล้วทําแล้วจบเลยไม่ต้องทําอีกนี่จะรู้ด้วยตัวเองเลย นั้นขอให้เห็นตามความเป็นจริงก่อนการที่เราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริง น, นั่นแหละจะนําไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นการที่เรายึดถือในกายในใจไม่เลิกเพราะเราไม่เห็นความจริงของกายของใจว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่คิดหรอกร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์จิตใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์ตลอดเวลาที่เราปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ได้เพราะเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของกายของใจนะ การเจริญปัญญานั่นแหละจะทําให้เราเห็นทุกเห็นโทษของกายของใจอย่างร่างกายเนี่ยถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญานะโดยเฉพาะไม่มีสติเราก็ลืมมันทั้งวันเลยถ้าไม่มีปัญญาเราไม่เห็นความจริงของมันถ้าเรารู้สึกตัวอยู่นะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะแล้วเราก็เห็นเลยร่างกายนี้เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็กระหายเดี๋ยวปวดอือปวดฉี่นะ เดี๋ยวเป็นอย่างนอนเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็คันใช่ไหมเนี่ยเราคอยรู้สึกอยู่เรื่อย ร, รู้สึกตัวไปเรื่อยเลยเห็นไหมร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์นะไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกเรารู้สึกไหมที่เรานั่งนั่งอยู่เนี่ยเราเก่าไปตั้งเท่าไหร่แล้วเพราะเราตระ ก, กูลลิงนะเรื่องธรรมดาลิงมันก็ต้องเก่าไปเรื่อยพวกเราก็ตระ ก, กูลลิงเหมือนกันนะเกาย่ยยุ่ยยุ่ยไปเรื่อยธรรมดาที่ผ่านมาเนี่ยร่างกาย มีความทุกข์เกิดขึ้นตลอดเลยนะแต่เราไม่สนใจเพราะความทุกข์นั้นไม่แรงพอเราเลยไม่สนใจเราไม่สนใจแต่สิ่งอื่นถ้าเราคอยรู้สึกตัวรู้สึกอยู่ในร่างกายเราเห็นร่างกายนี้ถูกบีบคั้นตลอดเวลาที่นั่งอยู่เนี่ยมีใครยังไม่เก่าบ้างมีไหมมีน้อยนะมีเหมือนกันสลวงพ่อนั่งอยู่ตรงนี้เห็นมากเลยนะบางคนสาวๆนะนั่งแค่ขี้มูกก็มีนะ มันจมูกมันตันมันมีความทุกข์บีบคั้นบางคนไม่เคลื่อนไหวมือแต่ขยับเอวไปขยับเอวมามันเมื่อยรู้สึกไหมร่างกายมันปวดมันเมื่อยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเลยเราไม่เคยรู้มันเพราะเราไม่สนใจจะรู้ถ้าเราจะคอยรู้มันก็ไม่ยากที่เราจะรู้ ถ้าเราคอารู้สึกตัวนะเราจะเห็นถนะ้าร่างกายเต็ไมไปด้วยความทุกข์ถ้าเห็นมากเข้ามากเข้าเนี่ยความยึดถือในกายจะลดลงเรื่อยๆยิ่งเห็นจริงเท่าไหร่ก็ยิ่งยึดถือน้อยลงเท่านั้นถึงวันหนึ่งเราไม่มีความยึดถือในร่างกายมเมื่อเราไม่ยึดถือในร่างกายเนี่ยต่อไปนะีความทุกข์จะเกิดขึ้นเฉพาะในร่างกายแต่ความทุกข์จะเข้าไม่ถึงใจร่างกายแก่ก็ส่วนของร่างกายใจไม่ทุกข์ร่างกายเจ็บก็ส่วนของร่างกายใจไม่ทุกข์ ถ้าทั้งร่างกายจะตายนะก็ส่วนของร่างกายใจจะไม่ถูกด้วยเนี่ยเราเห็นความจริงของกายเราไม่ยึดถือกายถ้ากายแปรปรวนไปของที่เราไม่ได้ยึดถือแปรปรวนไปเราไม่เดือดร้อนหรอกอันไหนที่เราหวงแหนแล้วแปรปรวนไปเราเดือดร้อนมากนะงั้นเรามาเจริญปัญญาเนี่ยก็เพื่อให้เห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของหน้าหวงแหนหรอกเพราะความจริงมันเต็มไปด้วยความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามหาหัดรู้ในใจของเราเต็มไปด้วยของไม่เที่ยง เราดิ้นรนไปดูหนังฟังเพลงก็หวังว่าจะมีความสุขเราทําสิส่งโน้นสิน่งนี้เราหวังว่าจะมีความสุขความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วความสุขก็หายไปใจของเราก็หิวความสุขอีกใจหของเราก็ดิ้นรนต่อไปอีกนะดิ้นรนหาความสุขไปเรื่อยเรื่แล้วเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเช่นเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักแล้วก็ปฏิเสธเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเช่นลูกของเราตายสามีปัญญาเราตายพ่อแม่เราตาย เพื่อนสนิทของเราตายหรือเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นนะสามีนอกใจอะไรเนี้ยพลัดพลากจากสิ่งที่รักถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้เราทุกข์มากแต่ถ้าเราเห็นความจริงในจิตใจของเราเนืองๆว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเป็นของชั่วคราวนะเราจะไม่ทุกข์หรอกอะไรเกิดขึ้นนะเราจะพลาดพลากจากสิ่งที่รักเราก็ไม่ทุกข์เราจะประสบกับสิ่งที่ไม่รักเราก็ไม่ทุกข์อย่างเราต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีเลย อยู่กับเจ้านายที่ไม่ดีอยู่กับสามีที่หลอยถ้วยที่สุดเลยนะได้ LT ลทีลอยถ้วยนะไม่เอาไหนเลยอย่างเงี้ยอยู่กับลูกที่เกเรล้างผลาญอเนี้ยเราไม่ทุกข์หรอกนะแต่ไม่ทุกข์ก็ไม่ใช่ไม่แก้ปัญหานะสามีเมียมีมีเมียน้อยต้องแก้ปัญหานะไม่ใช่อุเบกขาลูกติดยาก็ต้องแก้ปัญหานะไม่ใช่อุเบกขาคนละเรื่องกันนะใช้ธรรมะอย่าให้ใช้ผิดประเภท อุเบกขาเราใช้ต่เมื่อเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นกุศลเห็นอกุศลเกิดขึ้นในใจมีความยินดีให้รู้ทันมีความยินร้ายให้รู้ทันให้ใจมาอุเบกขาทันตรงนี้หรือเราไปสงเคราะห์คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นแนะนําคนอื่นแล้วเขาไม่เชื่อฟังนะเขารับผลกรรมของเขาเราก็อุเบกขาเราได้ช่วยเต็มที่แล้วนะอย่างนั้นไม่ใช่ละเลยเพราะงั้นถ้าเราหันดูจิต ด, ดูใจบ่อยๆเราเห็นทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในจิตใจเราเป็นของชั่วคราว สุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวถ้าใจมันยอมรับว่าทุกอย่างชั่วคราวนะต่อไปเวลาที่เราประสบกับสิ่งที่ไม่รักเวลาเราพลาดพลากจากสิ่งที่รักเวลาที่เราไม่สมปรารถนาเราจะไม่ทุกข์หรอกเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวความทุกข์มันมาก็มาชั่วคราวความสุขมันมามันก็มาชั่วคราวพาใจเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างในใจเราเป็นของชั่วคราวแค่นี้ก็พ้นได้แล้วนะ ผลได้แล้วร่างกายเนี่ยดูให้เห็นทุก์เนี่ยดูง่ายดูให้เห็นอนิจจังดูยากร่างกายมายุยืนแต่จิตใจเนี่ยดูอนิจจังง่ายเพราะจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจนั่นดูอีกมุมหนึ่งคือมุมของอนัตตาดูได้ง่ายนะมุมของอนัตตาในจิตใจหมายถึงว่าเราสั่งไม่ได้เราสั่งให้จิตใจมีความสุขไม่ได้เราห้ามจิตใจมีความทุกข์ไม่ได้นะ เราสั่งว่าจิตจงดีตลอดเราสั่งไม่ได้เราสั่งว่าจิตอย่าชั่วเราสั่งไม่ได้เราเฝ้าดูของจริงเราจะเห็นในจิตจะโกรธจิตก็โกรธของจิตเองมีเหตุขึ้นมาจิตก็โกรธหมดเหตุจิตก็หายโกรธอย่างเงี้ยเวลาจิตจะดีก็มีเหตุขึ้นมาจิตก็กดีหดเหตุที่ดีหายไปจิตที่ดีก็หายไปด้วยทุกอย่างเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนี่เรียกว่านัตตาเนี่ยเราดูกายนะเราก็เห็นแต่ของมันเป็นทุกข์ มีความทุกข์บีบคั้นทั้งวันทั้งคืนดูจิตใจเห็นแต่ความไม่เที่ยงความแปรปรวนตลอดเวลานะตลอดเวลาจริงๆเลยนะจิตใจเนี่ยแปรปรวนตลอดเวลาและจิตใจนี่เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เนะี่ยในอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะมาเด่นกันคนละที่ร่างกายเนี่ยดูทุกขังได้เด่นนะจิตใจเนี่ยดูอนิจจังอนัตตาได้เด่น เล่าเฝ้าดูลงไปเรื่อยสุดท้ายมันก็รู้ความจริงจิตใจไม่ใช่ของดีของวิเศษร่างกายก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษจริงหรอกมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีแต่การบังคับไม่ได้มีแต่ความแปรผวนเมื่อเห็นความจริงแฉมแจ้งแล้วมันจะคลายความยึดถือนะเมื่อไม่ยึดถือในกายเราจะไม่ทุกข์เพราะกายเมื่อไม่ยึดถือในจิตเราจะไม่ทุกข์เพราะจิตอีกต่อไปพอเราไม่ยึดถือในกายเนี่ยเมื่อกายแก่เมื่อกายเจ็บเมื่อกายตาย เราไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่ยึดถือในจิตนะเมื่อเราประสบกับสิ่งที่รักเราพลัดพลากจากสิ่งที่รักเราประสบสิ่งที่ไม่รักเราไม่สมหวังอะไรเงี้ยเราจะไม่ทุกข์กับความรู้สึกต่างใจต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะสุดท้ายใจเราจะเป็นอิสระจากกายจากใจเราจะไม่ทุกข์เพราะกายเพราะใจอีกต่อไปค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเนะนี่ยเราตั้งหลักให้ดีนะ ถ้าไปเผลอลืมกายลืมใจหย่อนไปถ้าไม่ยอมดู ก, กายดูใจทํางานไม่ยอมดู ก, กายดูใจให้เห็นไตรักเพ่งกายเพ่งใจไว้อย่างเดียวเช่นเพ่งลมหายใจแล้วก็นิ่งๆิ่งเพ่งจิตให้นิ่งๆิ่งเพ่งท้องให้นิ่งๆให้มันนิ่งไปหมดเลยกายก็นิ่งใจก็นิ่งอันนี้ตึงเกินไปตึงเกินไปพระเจ้าบอกว่าจะลอยขึ้นลอยไปไหนลอยไปสวรรค์ไปฟุลมะโลกแต่ไม่ไปนิพพานนะ ถ้าหย่อนไปก็ตามใจกิเลสก็จมลงไปอบายใจไหลลงต่ำไปเรื่อยนั้นเราไม่พกักเราไม่เพียร น, นะเรามีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเรื่อยไปจนเห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์จิตใจเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยการบังคับไม่ได้ใจก็จะเบื่อหน่ายครความยึดถือในกายในใจนี้ก็พ้นจากกายจากใจ เมืจิตไม่ยึดถือในกายในใจแล้วก็เข้าถึงพระนิพพานครั้งแรกเลยนะเรียกว่าสัพปาที่เสสนิพพานอันนี้เป็นพระนิพพานของพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตยอยู่เรียกสัพปะที่เสสนิพพานจิตกับขันนี่ไม่ยึดถือกันต่อไปแล้วนะแล้วกระทั่งจิตก็ไม่ยึดถืออยู่ไปจนวันที่ขันแต่ขันดั บ, ดบก็เรียกดับทุกข์ ตอนบรรลุพระอรหันยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าพ้นทุกข์คือจิตมันพ้นจากขันมันพรากจากขันมันไม่ยึดขันวันที่ขันแตกขันดับก็เรียกว่าดับทุกข์หมายถึงขันมันดับเมื่อวานหลวงพ่อบอกแล้วนะคำว่าทุกข์ก็คือขันนั่นแหละถ้าเราแจ้งอย่างนี้นะเราก็เดินไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้ววางทางมันก็มีความสุขหลายทางไปเรื่อยๆนะภาวนาไปเกิดความสงบขึ้นมาก็ได้ความสุข เกิดความรู้ความเข้าใจก็ได้ความสุขเกิดอริยามากเกิดอริยะผลก็ได้ความสุขเป็นลําดับลําดับไปนะการปฏิบัติไม่ได้แห้งแล้งหรอกการปฏิบัตินะถ้าตั้งหน้าตั้งตาภาวนาไปเรื่อยมีความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งเห็นทุกข์มากเท่าไหร่เห็นความจริงของกายของใจมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นสุดท้ายมีความสุขอันมหาศาลคือสุขที่จิตสัมผัสกับพระนิพพานพระพุทธเจ้าถึงบอกว่านิพพานังปรมังสุขขัง ไม่มีอะไรสุขอะไรเสมอกับสุขของพระนิพพานสุขของการที่ใจป็นพ้นจากขันนั่นเองนะเป็นสุขที่อย่างยิ่งเลยเราค่อยๆฝึกนะเรามีสติปัญญามีความสามารถมีโอกาสเราก็ปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องนะเรียนไปแล้วนะต่อไปก็ปฏิบัติให้สมควรแก่ทำรรเราก็จะได้รับผลที่สมควรที่เราเสียได้รับนะเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ